บทที่ยี่สิบสี่ตาแปะซงตอนสายวันรุ่งขึ้นนายจเจริญไปทำงานที่บ้านตาแปะซงเป็นวันที่สอง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 จะต้องทวงเวลาด้วยการหาปูหอยตัวนั้นเขาหมายถึงหอยโขงตัวมหือกมาที่ได้นามาปล่อยเมื่อเย็นวานหลังจากสลักชื่อจเจริญจรุนรัตไว้ที่เปลือกของมันแล้วเวลาผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงเขาก็ไม่อาจจะหาปูหอยพบหนุ่มน้อยรู้สึกงุดหงิดด้วยผิดหวังมันไปอยู่ไหนของมันนะชั่วคืนเดียวจะหนีไปได้ไกลแค่ไหนเชียว หรือว่าคนอื่นมาจับเอาไปให้เป็ดกินเสีแล้วเขาเริ่มกังวลเพราะเชื่อในโชคลางเช่นเดียวกับชาวบ้านทั่วไปชื่อของเขาอยู่บนเปลือกหอยตัวนั้นหากมันตายย่อมหมายความว่าตัวเขาจะต้องตายตามไปด้วยเลวไหลน่ะมันคงไม่ตายหรอกใครจะโง่ถึงขนาดไปฆ่าปูหอยยิ่งมีชื่อคนอยู่เขาก็ต้องถือเคล็ดเขาคิดงุนงานอยู่คนเดียว ในที่สุดก็หิ้วกระแตงหอยกลับมาที่ล้าเป็ดกำลังจะเทหอยออกมาทุบ ก, ก็พอดีตะแปะทรงเดินเข้ามาสั่งว่าเทออกมาสิอ้วจนับว่ามีถึงพังตัวหรือเปล่าหนุ่มน้อยตกใจมือจับหูกระแตงแน่นไม่ต้องหรอกเดี๋ยวอ้วจนับให้จะบอกให้เสร็จเลยว่ามีตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวเขารีบหาทางออก เฮ้ยอาไรจะขนักนั่งลือ ร, รูได้ยังไงว่าอังไหนตัวผู้อังไหนตัวเมียรู้สิเชื่ออ่วเถอปริอย ว, วจัดการเองหรือไปขายของต่อเถอเฮาน่าเทออกมาแล้วช่วยกังนับอ้วอยากรู้วิธีดูว่าตัวผู้เป็นยังไงตัวเมียเป็นยังไง แกจับปากกระแต่งทำท่าจัดเทียคนอายุสิบหกร้องเสียงหลงและสมองอันเฉียบไวก็คิดแผนขึ้นมาหลอกตาแปะ๊ะถ้าเทออกประเดี๋ยวจะไม่รู้ต้องให้มันอยู่ในกระแต่งนี่แหละแล้วลือจะรู้ได้ยัางไงาตาแป๊ะสงสยัยรู้สิเอาละของอย่างนี้มันต้องใช้พลังจิต ว่าต้องเข้าฌานดูถึงจะรู้ทำยังไงตะแปะชักสนใจหนุ่มน้อยนึกถึงถ้าที่ยายนั่งภาวนาจึงนั่งขัดสมาธิหลับตาแต่แทนที่มือทั้งสองจะวางบนตักกลับจับหูกระแตงทั้งสองไว้จนแน่นเป็นตายยังไงก็จะไม่ยอมให้ตะแปะเทหอยออกมา ผู้ชายอายุห้าสิบเศษนั่งมองเด็กหนุ่มที่นั่งหลับตาพรางนึกในใจอติอีเป็นบ้าหรือเปล่าวะว่าจะจ้างมาทำงานอีกก็มานั่งหลับตาครั้นเห็นหนุ่มน้อยนั่งนิ่งไม่ไหวติงก็จะเกิดความเลื่อมใสคิดใหม่ว่าเรื่อว่าอีเป็นผู้วิเศษถ้าอย่างนั้ง เราก็จะรวยเอแต่ผู้วิเศษมังยังไม่รวยนี่ว่แต่แปะเริ่มสับสนในความคิดฝ่ายคนที่กำลังนั่งขัดสมาธิรู้สึกเมื่อยและเหน็บกินเท้าอยากขยับขยื้อนกายหากเกรงคนที่นั่งดูจะไม่ศรัทธาต้องแกล้งแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องคลั้งและก็ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงต้องท่องในใจว่า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 รออยู่ที่หน้าร้านเนะเป็นเสียงอมมยเล็กลูกสาวคนสุดท้องของตะแปะไปบอกอีมาทีนี่ตะแปะสัง่งคนที่นั่งหลับตาอยู่จึงพูดทั้งที่หลับตาว่าไม่ได้ให้คนอื่นมาดูไม่ได้เดี๋ยวจะไม่คลังง้างปลาเลี้ยวอ้วมมาตะแปะสมบอกแล้วก็ลุกออกไปหนุ่มน้อยลืมตา ลุกขึ้นสลัดแข้งสลัดขาจัดการเทหอยออกจากกระแตงแล้วนำดินโครนออกไปทิ้งหลังลาวเป็ดรีบทุบหอยแล้วก็โยนให้เป็ดกินไปสิบกว่าตัวที่เหลือเอาไว้หลอกตะแปะครั้นตะแปะกลับมาก็จึงรายงานว่าทั้งหมดมี775ห้าตัวเป็นตัวเมีย390สิบที่เหลือเป็นตัวผู้เขาไม่ได้บอกว่าตัวผู้กี่ตัวเพราะกิเกียดคานวณ ความจริงเขาไม่รู้และไม่ได้นับได้แต่พูดส่งๆไปอย่างนั้นเองทำไมมังดูน้อยนักยังกะครึ่งกาแตงคนฉลาดเป็นกรดว่าแมมตะแปะลื้อนี่เก่งจริงๆก็นี่มันไม่ถึงครึ่งกะแตงด้วยซ้ำเพราะมีแต่ตัวผู้ตัวเมียอุทุบให้เป็ด ก, กินหมดแล้วอาตีชี้แจง ทำไมมังเร็วนักตะแป๊ะไม่อยากเชื่อหรือหาว่าอ้วโกโหกหรือไงเขาทําท่าเครืองคุณโอ้ ย, ยังไม่ไล่ว่าแต่กังลังเจ้าว่าอาตีบอกมาลีลีว่าลื้โกโหกอัว้วแ่มั้ยว่าไม่ได้โกหกถ้าโกหกให้อั้วถูกฟ้าผ่าเขาไม่ยอมใส่คําว่าตายลงไปด้วยเพราะไม่อยากเป็นอย่างยายมะเฟือง อัวไม่ชอบสาบบางยอมรับมาตรงๆดีกว่าอัวบอกว่าเปล่าๆหนุ่มน้อยยังเสียงแข็งหรือมีอะไรมายืนยังละ่ะทำไมจะต้องยืนยันในเมื่อเห็นๆกันอยู่เอาอย่างนี้ถ้าลือไม่เชื่อก็ไปถามพวกเป็ดมันดูสิว่าอัวเอาหอยตัวเมียให้มันกินหรือยังอัวผูกภาษาเป็กไม่เป็ง ต่แปะทรงว่าอ่วจะช่วยพูดให้เขารับอาสาไม่เอาปลาเหลียวลือก็อหลอกอัวอีกถ้างั้นเอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าลือคิดว่าอ่วโกหกลือก็ผ่าท้องเป็ดออกดูเดี๋ยวนี้เลยเอาไหมผ่าดูให้หมดทั้งฝูงเลยตะแปะทรงรีบปฏิเสธไม่เอาไม่เอาอาตี วังนี้ว่ายอมแพ้ลือแต่วังหน้าว่าจะไม่ให้ลือหลอกอีกปุกนี้ลื้ต้องให้อ้วนนับลูกลง อ, อย่าเพิ่งทุบให้มังกิงเข้าใจละเปล่าตกลงตกลงนมน้อยรับคำถึงตาแปะไม่บอกเขาก็ตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างวันนี้งมหอยได้เต็มกระแตงยังง่ายกว่าสบายใจกว่ามาเถียงกับตาแปะมาเหลี่ยมจัดจริงๆ พับผ่าสิเขานึกค้อนว่าตะแปะหากคนที่เหลี่ยมจัดกว่าตะแปะเขากลับไม่ว่าทุบหอยให้เป็ดกินเรียบร้อยเขาเดินกลับไปรับค่าแรงจากผู้ว่าจ้างพรุ่งนี้ ต้องรอให้อ้วนนับหอยกล่องนาชายวัยห้าสิบเสษย้ํ้ำขณะส่งเงินให้หนุ่มน้อยรับเงินแล้วหนุ่มเจริญก็เดินกลับบ้านเพื่อกินข้าวเที่ยงคิดว่าอิ่มข้าวแล้วจะไปซ้อมทำปีกผ้าที่บ้านครูสมใจวันแต่งงานของพี่สาวเขาจะต้องแสดงฝีมืออีกครั้งให้มั่นใจว่าจะได้รับเงินส่วนแบ่งที่บิดาให้ครูสมใจเป็นค่าจ้าง ถ้าใครมาว่าเราเขมที่เอาเงินแม้กระทั่งงานพี่สาวตัวเองเราจะบอกว่าเราเอาเงินเพราะครูสมใจจ้างเราก็ในเมื่อครูสมใจยังคิดเงินจากพ่อเรานี่นาเขาเตรียมคำตอบไว้กล่าวแก้คำคอระหายายผมจะไปซ้อมปิดผ้าที่บ้านครูสมใจเขาบอกยายหลังจากอิ่มข้าวแล้วจะไปเล่นงานอะไรล่ะงานศพหรืองานแต่ง งานแต่งครับอ๋อผมลืมบอกยายเมื่อวานผมไปหาแม่แม่บอกพี่จําเรียงจะแต่งงานวันขึ้น12บสองค่าเดือนสี่จะให้พี่สอนเอาเกวียนมารับยายไปงานสอนไหนละ่ะยายชักลืมเลือนเพราะความชราผัวพี่จะรวยยังไงละ่ะจะรวยไหนยายถามอีกโอ้โหนี่ยายแก่มากแล้วนันนี่ ขนาดหลานตัวเองยังจำไม่ได้และผมละชื่ออะไรเนี่ยคนเนี้ยเขาชี้ที่ตัวเองเองชื่ออะไรล่ะคราวนี้ยายแกล้งชื่อจางครับคนเป็นหลานแกล้งบ้างชื่อเพราะดีจางแปลว่าสว่า ง, ะะางใครชื่อนี้แปลว่ามีชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรดสว่างสวยัยยายแกล้งชมชื่อของตัวเอง แล้วถ้าชื่อจเจริญและยายแปลว่าอะไรหลานชายถามจเจริญอะไรละ่ะเจริญขึ้นหรือว่าจเจริญลงยายผมเบื่อพูดกับยายแล้วนะไม่เอาละผมไปบ้านครูสมใจดีกว่าหลานชายว่าแล้วจึงลงเรือนไปครู่ใหญ่ๆก็ถึงบ้านครูดนตรีชื่อดังของตำบลบางม่วงหมู่ ทันทีที่เห็นหน้าเด็กหนุ่มนางส้มลิ้มก็ทักว่าพ่อจเจริญดีใจจังที่เอ็งมาน้ำกำลังแห้งโอง่งอยู่พอดีลูกข้ามันขี้เกียจกันเลอะเกินใช้ให้ตักตั้งแต่เมื่อวานมันก็ไม่ทำกันนางทำทีตำหนิลูกๆดีใจจนออกนอกหน้าที่จะมีคนตักน้ำให้ใช้ก็แม่มันยังขี้เกียจ แล้วลูกมันจะขยันได้ยังไงหนุ่มน้อยคิดหักปากถามว่ากระแต่งกับไมคานอยู่ไหนละนะไตถุนมัง้งเองลองไปดูซิกว่าจะได้ลงมือซ้อมปีภาดหนุ่มเจริญก็อยู่ในสภาพที่เปียกปอนเหงื่อไหลครย้อยเพราะต้องตักน้ำถึงสิบองแทบจะหมดเรี่ยวแรงเอาเลยทีเดียว ครูหวังว่าคราวนี้คงไม่เกิดเรื่องแบบที่บ้านกำนันแพ้วอีกหรอกนะครูสมใจว่าเรื่องอะไรครับเขาถามได้ว่าวันนั้นมีเรื่องเกิดหลายเรื่องเหลือเกินเรื่องผู้ใหญ่ชำ น, นะซิป่า น, นี้แกอายโกรธเธอหรือยังไงก็ไม่รู้ผมว่าแกคงไม่มาหรอกครับหนุ่มน้อยคาดการไม่มาก็ดีจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบวันนั้นอีก ครูสมใจสรุปแต่ถ้าเป็นคนอื่นล่ะครับคือคือผมหมายถึงว่าถึงผู้ใหญ่ช้ำไม่มาแต่มีคนอื่นเป็นแบบเดียวกับแกครูจะให้ผมทำยังไงครับเรื่องนี้เธอคิดเอาเองแต่ครูว่านะเกิดเธอทําเหมือนกับวันนั้นพ่อแม่เธอโกรธตายเลยเพราะเท่ากับทําให้คนอื่นมาด่าพ่อแม่ในบ้านของตัวเองครับ ถ้าอย่างนั้นผมจะไม่ทำเองแต่อาจจะสั่งคนอื่นให้ทำแทนหนุ่มน้อยเตรียมวางแผนล่วงหน้าแต่ทางที่ดีครูว่าอย่าทำดีกว่าอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งครูขี้เกียจหาไม้ตีปีพาดมาเพิ่มเหลืออยู่คู่เดียวแล้วนะครูสอนดนตรีไทยพูดยิ้มยิ้มบ่ายคร้อยหนุ่มเจริญจึงกลับบ้านเพื่อมาช่วยยายทำงาน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 เขาเดินเข้าไปหาและถามหากไม่ได้ยกมือไหว้เพราะถวาว้ครูชิ้นก็จำต้องไหว้พวกที้เหล้าทุกคนเขาไม่ชอบคนกินเหล้าจึงทําไม่รู้ไม่ชี้อันที่จริงเขารู้จักคนเหล่านี้ทว่าไม่คุ้นเคยก็เองเห็นข้าทําอะไรละ่ะครูชิ้นพูดเสียงอ้อแอแล้วจึงถามอีกว่าเองล่ะ จะไปไหนผมจะกลับบ้านป้าเหรียนครับอยู่ถัดไปอีกสองหลังหลังที่มีปลากเกลือตากอยู่นั่นแหละครับเขาชี้ไปที่บ้านหลังนั้นมีปลาใส่เกลือตากอยู่ที่นอกชานโดยแขวนไว้กับราวตากผ้าไอน้นมเอ็งมาก็ดีแล้วช่วยไปเอาเต่ามาต้มให้พวกข้ากินแก้มเล้าหน่อยคนเป็นเจ้าของบ้านพูดขึ้น ไม่ได้หรอกนะผมต้องรีบกลับบ้านเขาปฏิเสธจะรีบกลับไปทําไมล่ะบ้านมันไม่หนีเองไปไหนหรอกหนาะครูชิ้นพูดเสียงอ้อแอเพราะกําลังเมาข้าไม่ได้ใช้เองเปล่าๆนาะแต่มีค้าจ้างให้ด้วยเจ้าของบ้านพูดเท่าไรห้าสิบสตางค์หนุ่มเจริญรู้สึกใจพองเพราะเขาจะมีเงินถึงหนึ่งบาท ระนั้นปากก็ว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวยายรู้เข้าจะมีเรื่องยายไม่ชอบให้ค่าสัตว์ตัดชีวิตเขาแ้งว่าถ้าค่าให้บาทหนึ่งล่ะจะทำไหมถ้าไม่เอาอีกก็รีบไปเสียพนพ้นไม่งั้นจะต้องเจ็บตัวคนฟังดีใจนักหากต้องทำเฉยเฉยจะได้ไม่เสียเลี่ยง งั้นผมยอมบาปก็ได้เตาอยู่ไหนละ่ะเขาถามอยู่ในโอคงบนเรือนเองไปเอามาเอาหม้อลงมาด้วยเตาอยู่ข้างล่างน่นไปก่อไฟต้มข้างๆกอไผ่น้นระวังอย่าให้ไฟไหม้กอไผ่เขาละ่ะเจ้าของบ้านสั่งการ อย่าว่าอย่างงโนอย่างงี้เลยช่วยจ่ายค่าจ้างผมมาก่อนเถอะจะได้อุ่นใจว่ามันคุ้มกับการทำบาปในครั้งนี้คนใจบุญอ้างแม้เองนี่มันเค็มสมกับเป็นหลานยายจางเลยนะทำไมนะพูดอย่างนั้นคนถามท่าทางเอาเรื่องอ้าวก็ยายเองน่ะเขารู้กันทั้งตำบลว่าเค็มอย่างกับเกลือแถมยังขี้งก เจ้าของบ้านว่านะ้หนุ่มน้อยพูดเสียงตะคอกน่าจะว่าผมยังไงก็ได้แต่ห้ามแต่ต้องยายของผมจำไว้นะคนอย่างผมถือคติด่าแม่ด่าพ่อยังพอครบแต่ด่ายายที่เคารพครบไม่ได้ครั้งนี้ผมยกโทษให้แต่ครั้งต่อไปผมไม่ยอมหัวเด็กตินขาดก็ไม่ยอม เอาเถอะเอาเถอะค่ายอมเองไปเอาเต่ามาต้มให้ค่าแก้มเล่าได้แล้วเจ้าของบ้านบอกก็น่าจ่ายเงินผมมาก่อนสิเขาทวงงั้นก็ตามขึ้นมาเงินอยู่บนเรือนพูดอย่างรำคาญแล้วก็ลุกจากวงขึ้นไปบนบ้านหนุ่มเจริญเดินตามขึ้นไปด้วยได้เงินแล้วจึงจัดการนาเต่าที่ขังไว้ในโอง่ง ใส่กระแต่งหิ้วลงไปข้างล่างวางกระแต่งเตาไว้แล้วขึ้นไปหยิบหม้อในครัวเลือกเอาใบที่ใหญ่ที่สุดเพราะเตาที่จะต้มมีถึงเจดตัวแต่ละตัวขนาดเท่าฝ่ามือเขาก็จัดการก่อไฟแล้วก็ตักน้ำใส่หม้อยกขึ้นตั้งบนเตารอกระทั่งน้ำเดือดจึงเทเตาเจ็ดตัวในกระแต่งลงไปเจ้าเตาพุกเคราะหร้าย ต่างพากัดดิ้นตะกุกตะกักดิ้นจนมออแตกออกเป็นสองเสียงน้ำไหลลงเตาทำให้ไฟดับเตาเจ็ดตัวต่างตะเกียกตะกายหนีเอาตัวรอดหลายตัวคลานไปที่กบไผ่หนุ่มอายุ16หวิ่งตามเพื่อจับมาต้มหากภาพที่เห็นทำให้เขายืนนิ่งงันเตาตัวเล็กๆกเหล่านั้น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 แล้วจึงพากันครานหนีเข้ากอไผ่ไปนะ้หม้อแตกเต่ามันครานหนีไปหมดแล้วเขากลับมารายงานผู้ว่าจ้างเองไปทำยังไงมันถึงแตกละ่ะครูชิ้นถามผมเปล่าทำแต่เต่ามันสามัคคีกันดิ่นดินสมอแตกเลยถ้าอย่างนั้นเองต้องคืนเงินให้ตัดช่วงเข้าไป คนหนึ่งในวงเล่าพูดรู้สึกผิดหวังที่ช่วดอาหารอันโอชะเอาเงินค่าคืนมาในช่วงพูดเสียงตะคอกเรื่องอะไรจะคืนก็ไม่ใช่ความผิดของผมถ้าเต่ามันไม่ดิ้นหม้อ ก, ก็ไม่แตกหนุ่มจเจริญเถียงเอาเงินคืนมาจะของบ้านพูดเสียงดังกว่าเดิมเมินซะชาติหนึ่งเขาพูดเสียงปกติ ครูชิ้นจึงต้องตัดสินว่างั้นเองไปเอาปลาเกลือที่บ้านเองมาปิ้งให้กินแทนเตาก็แล้วกันนมจเจริญเห็นด้วยกับความคิดของคนเป็นครูจึงว่าครับผมจะไปเดี๋ยวนี้ครูต่อมามนดาคอทองแดงก็ได้กินปลาเกลือปิ้งแกล้มเหล้าแทนเนื้อเตานุมน้อยกําลังจะกลับบ้านพอดีนางเหรียญเดินโซซัดโซเซเข้ามา แกชี้หน้าดาลหลานชายเสียงดังลั่นไอหลานเวรเรื่องอะไรมาขโมยปลากูไปให้คนอื่นกินไอพวกนี้มันเป็นพ่อมึงหรือไงถึงไดเอามาให้มันพูดให้ดีๆน่านางเหรียญกูไม่ได้กินของมันเปล่าๆนะเว้ยนี่กูซื้อมันตั้งบาทหนึ่งนายช่วงว่าผมไม่ได้ขโมยนะป้าผมตั้งใจจะขอ แต่เห็นป้ากำลังหลับเลยไม่อยากกวนหลานชายแก้ตัวน้ำขุนๆยามาโกโหกมึงวิ่งลงเรือนหลังไวๆกูวิ่งตามจนหกล้มกว่าจะลุกได้ตั้งนานแกไม่ได้บอกว่าที่ล้มเพราะความเมาใครคนหนึ่งพูดขึ้นว่าอย่าเอะอะไปเลยหน้าแม่เรียนมาร่วมวงกันดีกว่ามาสิเฮ้ยช่วยรินเล่าให้แม่เรียนเขาจอกหนึ่ง ในช่วงทำตามนางเหรียนจึงเข้ามานั่งร่วมวงพูดเสียงอ่อแอว่าอย่างนี้มันค่อยพูดกันรู้เรื่องหน่อยหนุ่มน้อยเห็นเหตุการณ์เป็นปกติและจึงขอตัวกลับบ้าน